เปรียบเหมือนสมบัติทางโลกก็เรียกว่าสมบัติมีหลายประเภทเช่นเดียวกับสินค้าในห้างร้านต่างๆในห้างร้าน ใ, นใหญ่ๆจะต้องมีสินค้าหลายประเภท สินค้าที่มีราคามากก็มีเพราะเป็นสินค้าที่ดีเยี่ยมสินค้าที่มีคุณภาพลดลงมาก็มีราคาต่ำลงมาสินค้าที่มีคุณค่าน้อยก็มีราคาน้อยลดต่ำกันลงมาเป็นลำดับ เพื่อตอ น, นรับลูกค้าที่เข้าไปติดต่อในห้างร้านนั้นๆจะไม่เสียความประสงค์ที่ต้องการผู้มีความต้องการสินค้าประเภทใดพร้อมกับตนมีทรัพสมบัติมากก็ยอมเลือก สินค้าได้ตามต้องการคุณภาพก็ดีราคาก็แพงและมีไว้สำหรับต้อนรับลูกค้าไว้อย่างนั้นเสมอคนที่เขเข้าไปในห้างร้านนั้ น, น, นจะไม่ได้ของประเภทเดียวกันออกมาเพราะนิสัยของผู้เข้าไปติดต่อในห้างร้านนั้นมีความ ประสงค์ต่างกันตามความต้องการของตนใครต้องการสินค้าประเภทใดก็นำเอาสินค้าประเภทนั้นออกมาตามความต้องการในทุนทรัพย์ของตนตลอดถึงสินค้าที่มีคุณค่าและราคาที่ต่าสุด<ๆ>ก็ย่อมมีไว้ในห้างร้านนั้นเหมือนกันเพื่อตอนรับ ลูกค่าที่มีฐานะต่างกันผู้ที่ไปติดต่อในห้างร้าน ย, ย่อมไม่เสียความหวังที่เข้าไปใละสำเร็จประโยชน์ออกมาด้วยกันเรื่องธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเทจา้าก็มีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันมีทั้งธรรมะ อย่างต่ำอย่างกลางอย่างสูงเยี่ยมไว้สำหรับต้อนรับท่านพุทธบริษัทจะมีความสามารถแกลกลาต่างกันอย่างไรเพราะมิัยกำลังความสามารถและความฉลาดรู้ของบุคคล น, นั้นย่อมมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันอยู่เป็นธรรมดาเมื่อเป็นเช่นนั้นจะให้มีเพียงธรรมะประเภทเดียว ไว้สำหรับผู้ปฏิบัติแล้วอธรรมอาจจะไม่ทำประโยชน์ให้แก่คนได้ทุกชั้นผู้ที่ได้ก็ได้ไปเต็มสติกำลังความสามารถที่ตนต้องการผู้ที่ไม่มีความสามารถก็ไม่ได้เลยฉะนั้นจึงเทียบกันได้ครับสินค้าในห้างร้านต่างๆ ซึ่งเขาจัดไว้เพื่อการต้อนรับคนที่มีความเหด่อมร้อนต่ำสูงกันทั้งความรู้ความฉลาดและทุนทรัพย์กลับไปแลกเปลี่ยนก็มีการต่างกันเช่นนั้นเรื่องของธรรมะก็ย่อมมีลักษณะเช่นเดียวกันภูมเป็นคารวาัตก็ยังมีหลายชั้นไม่เพียงแต่เป็นคารวัตแล้วจะเป็นคนชั้นเดียวภูมิเดียวมีความ ารูปความฉลาดเท่าเทียมกันยังมีการเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันอีกเมื่อเป็นเช่นนั้นแม้ธรรมะส่วนอยากก็ยังต้องแยกประเภทเอาไปตามกำลังความสามารถของบุคคลผู้ควรจะประพฤติปฏิบัติได้แค่ดใดใอะไรสำเร็จประโยชน์ตามความประพฤติปฏิบัติของตอนธรรมะขั้นกลางส่วนคนในประเภทกลางก็แยกไปได้อีกยังมีการยิ่งย่อน กันาาอีกเช่นเดียวกันชั้นสูงก็มีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันแม้คำว่าชั้นสูงก็ยังแยกประเภทนอกจากชั้นสูงสุดเท่านั้นจะเป็นประเภทเดียวไม่มีแตกต่างกันไปผู้ปฏิบัติธรรมในชั้นสูงก็ย่อมมีการเหลื่อมล้าต่ำสูงต่างกันอีกฉะนั้นระดับแห่งธรรมชั้นสูงนั้นก็ต้อง มีไว้ ต, ต้อนรับผู้ปฏิบัติคือมีธรรมะที่แนวทางไว้เป็นระยะ ะ, ยะสำหรับผู้ปฏิบัติในทรรมขั้นนั้นๆจะได้พยายามไต่เต้าขึ้นไปโดยลาดับจนถึงจุดสุดท้ายคือธรรมะชั้นเยี่ยมยอดนั่นเป็นประเภทเดียวกันผู้ใดที่สามารถก้าวเข้าถึงขั้นเยี่ยมยอดแล้วจะเป็นความบริสุทธิ์เสมอกัน ไม่มีความยิ่งย่อนต่างกันในทางความบริสุทธิ์แม้นิสัยว่าสนาจะมีแปลกต่างกันบ้างนั่นเป็นส่วนตี ย, อย่อดไม่ใช่หลักใหญ่คือความบริสุทธิ์แต่ความบริสุทธิ์นี้ที่เรียกว่าเป็นหลักใหญ่นี้จะมีความเสมอกันหมดนับตั้งแต่พระพุทธเจ้ า, าลงมาจนถึงสาวกองค์สุดท้ายจะไม่มีการเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันในทางความบริสุทธิ์นี่เป็นประเภทเดียวกันหรือประเภท อันประเภทเดียวผู้เข้าถึงทำขั้นนั้นแล้วจะเป็นคนประเภทเดียวคือเป็นพระพระหันต์ทั้งนั้นถ้าพูดถึงความบริสุทธิ์ก็เป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งนั้นไม่มียิ่งหย่อนต่างกันธรรมะที่พระพุทธเจา้าประสิทธิ์ประสากคือประธานพระโอาวาทไว้ให้พวกเราปฏิบัตินี้เป็นที่พอเหมาะ พอควรแก่พุทธบริษัทผู้มีความเชื่อเรื่มใสในหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าจะพึงแยกประเภทแห่งธรรมนั้นนั้นไปประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เหมาะสมแก่กําลังความสามารถของตนและได้ประโยชน์เท่าที่ควรไม่เป็นโมฆะจากการปฏิบัติผู้เป็นฆราวาสพระพุทธเจ้าก็าสอนไว้เรียกว่า ธรรมะสำหรับคารวะเราจะอยู่ครองบ้านครองเรือนก็ปฏิบัติธรรมะพระพุทธเจ้าได้จะมีลูกมีเมียหรือไม่มีก็ปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าได้อยู่ในบ้านในเรือนปฏิบัตรรริออดได้ทั้งนั้นผู้อยู่ในบ้านในเรือนจะพยายามฝึกฝนอบรมตนให้ในให้เกี่ยวกัข้อข้องกับธรรมะขั้นใดบ้าง เราก็สามารถจะฝึกอบรมเราได้ตามความสามารถของเราธรรมะไม่ได้เลือกหน้าผู้ปฏิบัติเพราะธรรมะนี้เป็นประเภทประเภทสำหรับผู้ปฏิบัติอยู่แล้วผู้ที่เป็นนักบวชนับแต่บวชเนนบวชเป็นีเป็นตาปาขาวขึ้นไปถึงบวชพระ ก็ปฏิบัติให้สมศักดิ์ศรีของตนที่เป็นนักบวชธรรมะประเภทนี้ก็มีไว้และวินัยก็มีเป็นแบบฉบับไว้เหมือนกันหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นหลักธรรมที่ออกมาจากความบริสุทธิ์คือพระพุทธเจ้าก่อนจะได้ประสิทธิประสาทธรรมะสอนโลกให้รู้ดีรู้ชั่วนั้น พระพุทธเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์มาก่อนการที่พระพุทธเจ้าจะรดญถึงความบริสุทธิ์ก็เนื่องจากพระองค์ท่านได้ปฏิบัติโดยถูกต้องเมื่อปฏิบัติถูกต้องแล้วผลก็ย่อมปรากฏตามทางที่ถูกซึ่งเป็นตัวเหตุให้เป็นผลอันดีขึ้นไปเป็นลํำดับๆจนถึงผลสุดยอดคือตรัสรู้พระรหันขึ้นมา เป็นศาสดาสอนโลกเพราะฉะนั้นพระโอาวาทที่สอนบรรดาสัตว์ไว้ทุกบททุกบาททุกแง่ทุกมุมจึงอยู่ในกรอบแห่งสวขาตธรรมแปลว่าธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วทั้งนั้นไม่มีทางที่ผู้มุ่งหลักธรรมคือทางที่ถูกจะคัดค้านพระพุทธเจ้านาว่าสั่งสอนผิด นอกจากจะเป็นไปตามทิฏฐิมานะหรือความไม่รู้ไม่เข้าใจของผู้นั้นเท่านั้นจะเป็นการขัดแย้งต่อพระโอาวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าแม้จะเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ก็าตามจำต้องถูกตำนิติชมจากคนทั้งสองประเภทคือคนประเภท ที่รู้ตามเห็นตามพระพุทธเจ้าก็ต้องชมเชยผู้ที่ไม่รู้ไม่เห็นตามและไม่เชื่อว่าจะเป็นจริงอย่างพระพุทธเจ้าสอนก็ต้องตำหนิจึงเป็นอย่างนั้นตลอดมาจนถึงสมัยปัจจุบันนี้คือมีการตำหนิติชมอย่างนี้ข้อเรื่องของโลกไม่มีทางสิ้นสุดถ้าสิ่งใด ตนเห็นชอบแม้จะเป็นสิ่งที่ผิดก็ต้องชมว่าดีถ้าเป็นสิ่งที่ตนไม่ชอบแม้จะเป็นของดีก็ตำหนิว่าชั่วแต่ผู้เห็นธรรมเป็นธรรมผู้มุ่งต่อรักความจริงแล้วติดในสิ่งที่ควรติดจะชมในสิ่งที่ควรชมไม่ได้ ติไม่ได้ชมไปตามความชอบใจเฉยๆแต่มีหลักเหตุผลเป็นเครื่องทดสอบและเป็นที่โรงรอยกันได้ในจุดที่ควรจะตำหนิหรือจะควรชมนี่เป็นคติของโลกซึ่งมีความรู้เป็นรุ่มๆดอนๆเมื่อมากเกี่ยวกับธรรมะธรรมะจึงกลายเป็นเป้าหมายที่จะให้โลกตำหนิติชมตลอดมา แต่ผู้ปฏิบัติเพื่ออาจทำจริงๆแล้วจะหาที่ตำหนิคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ยิ่งปฏิบัติตนให้มีความรู้ความเข้าใจทางด้านจิตใจเข้ามากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะเห็นความโง่ของตนมากเข้าเท่านั้นในขณะเดียวกันก็จะเห็นความรู้ความฉลาดความสามารถของพระพุทธเจ้าที่ชี้ช่องบอกทางให้ตนได้รับประโยชน์ประจักษ์ใจ เป็นระยะระยะไปเพราะฉะนั้นบรรดาผู้ปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ระยุจริงเห็นจริงนับตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันขึ้นไปจนถึงขั้นพระรหัสผลจึงจะหาทางําหนิพระพุทธเจ้าแม้แต่นิดหนึ่งไม่ได้นอกจากจะมอบกายถวายชีวิตเพิ่งเป็นเพึ่งตายพระพุทธเจ้า จนกระทั่งวาระสุดท้ายเท่านั้นไม่มีทางอื่นที่พระอาญาบุคคลผู้รู้จริงห็นจริงตามพระพุทธเจ้าจะหาช่องทางตำหนิพระพุทธเจ้าไม่มีเลยในเนื่องจากหลักธรรมเป็นธรรมที่บริสุทธิ์สืบเนื่องมาจากความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าต้นเหตุคือการนาเนินของพระพุทธเจ้าเป็นต้นเหตุที่ถูกต้องผลที่ปรากฏคือความบริสุทธิ์ จึงเป็นความบริสุทธิ์หมดจดโดยสิ้นเชิงเพวาทที่แสดงออกแก่สัตว์ซึ่งเป็นตัวเหตุเพื่อสัตว์จะได้ดำเนินและเห็นผลตามนั้นก็จึงเป็นโอวาทคําสอนที่บริสุทธิ์ผลที่พุทธบริษัทซึ่งได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าแล้วไปปฏิบัติตามจนปรากฏขึ้นมาภายในตนนั้นก็เป็นผลที่ถูกต้องเป็นลํำดับลำดับไป เพราะฉะนั้นคำว่ามรรคผลนิพพานจึงไม่นิยมการเรียกว่าอาการรีกุถ้าผู้ปฏิบัติให้ตรงตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจริงๆแลวจะมีทางสิ้นทุกข์เป็นที่ไปไม่มีทางอื่นซึ่งจะเป็นข้อขัดแย้งและเป็นอุปสรรคการกล่าวธรรมะธรรมะไว้ จากพระโอษของพระพุทธเจ้านี้เรานับกันพอประมาณมี 84,000 พันพระธรรมขันธ์ถ้าจะพูดตามแง่อุบายวิธีที่พระพุทธเจ้าสอนโลกแล้วจะมีมากมายยิ่งกว่าที่กำหนดไว้นี้นี่เห็นว่าพอประมาณเท่านั้นเพราะจริตนิสัยของพุทธบริษัท ซึ่งมาเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าที่จะได้ให้อวาสสั่งสอนแก่บรรดาศัตว์นั้นมีจำนวนมากมายเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้บายวิธีที่จะสั่งสอนโลกนั้นจะมีเพียงแปดหมื่นสี่พันนยยะนี้ไม่เพียงพอกับจดินิสัยของคนที่มีจำนวนมากยิ่งกว่านั้นแต่ถึงจะมากเท่าไรก็ตามถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับว่า การนับของเราซึ่งเคยได้อธิบายให้บรรดาท่านผู้ฟังทราบมาหลายครั้งแล้วนับตั้งแต่ต้นก็ถูกไปตั้งแต่ต้นเช่นหนึ่งบวกหนึ่งก็เป็นสองนี่สองบวกสองก็เป็นสี่เป็นลำดับลำดับจนถึงบวกในวาระสุดท้ายจะถึงล้านกว่าต่างก็ต้องเป็นการถูกต้องไปเป็นลำดับลำดับเช่นนี้ไม่มีส่วนใดที่จะทำให้ผิด พอที่จะให้ปลายทางนั้นผิดไปนี่หลักโอวาจคำสอนของพระพุทธเจ้าเริ่มต้นแต่พระพุทธเจ้าประธานโอวาทแกสาวกองแรกเริ่มแรกจนถึงสาวกอง์สุดท้ายแล้วปิดพระโอษฐ์คำว่าพระโอษฐ์คือปากยุดการสั่งสอนจะเป็นสวขาตธรรมไปเป็นลำดับลำดับ นับตั้งแต่วาระแรกที่เริ่มสอนสัตว์จนถึงวาระสุดท้ายเข้าสู่พระนิพพานไม่มีวาระใดที่จะคาดเคลื่อนจากคำว่าสุ ข, ขาตธรรมคือตรัสไว้ชอบนี้ไปได้เลยถ้าจะเทียบการบวกแล้วก็เรียกว่าถูกตั้งแต่เริ่มต้นบวกจนถึงจุดสุดท้ายแห่งการบวกเราจะถึงบวกถึงถึงล้านก็าตามนับแต่หนึ่งจนถึงล้าน ไม่มีการบวกตอนใดจะเป็นการผิดไปพอที่จะทำการบวกตอนสุดท้ายให้เคลื่อนขาบหรือเสียหายไปด้วยการให้โอวาตสั่งสอนสัตว์ของพระพุทธเจา้าก็มีการถูกต้องมาตั้งแต่เริ่มแรกการสั่งสอนไม่เช่นนั้นผู้นับพระโอวาทคนแรกก็คือพระัญญาโกณทัญญะจะได้ตรัดสรุปมรรคผลนิพพานได้อย่างไรหากพระพุทธเจ้าไม่สอนให้ถูกต้องตั้งแต่เบื้องตน้น ในถ้ำกลางสาวกก็บรรลุมรคผลนิพานเป็นลำดับลำดับตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงครั้งวาราสุดท้ายสาวกได้บรรลุพระรหันเป็นลำดับลำดับเมื่อผลได้ปรากฏแก่ผู้ปฏิบัติจนถึงขั้นพระสาเร็จพระหันแล้วพระรหันแล้วเราจะมีทางกำนิพระอุาวาทของพระพุทธเจ้าได้อย่างไรว่าผิดตอนไหนผิดวาระใด ถหากผิดแล้วผู้ปฏิบัติจะไม่ได้ผลนี่ไม่เป็นเช่นนั้นสอนวาระใดก็มีผลปรากฏขึ้นมาจากผู้สดัตปรับฟังไปเรื่อยๆตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกการสั่งสอนจนถึงวาระสุดท้ายเข้าสู่นิพพานนอกจากนั้นเข้าว่าที่ประทานไว้ผู้ปฏิบัติได้สืบต่อกันมาจนถึงพวกเหล่านี้ก็ปรากฏผลมา ได้รับมรรคผลนิพพานมาเป็นลำดับต้นๆจนถึงสมัยทุกวันนี้ก็เป็นพระโอาวาทจากพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไปคํว่ามัชิมาก็มีแปดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกรปรจนกระทั่งถึงสมาส ม, มาธินี่ท่านเรียกว่ามัชิมาปฏิปัฏานเป็นหนทางสายกลางเพื่อจะมุ่งเข้าสู่จุด ที่หวังอย่างยิ่งคือพระนิพพานไม่มีทางสายใดที่จะสามารถยังบุคคลผู้ปฏิบัติตามให้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้เหมือนทางที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทานีี่เลยและไม่มีใครจะสามารถอาจรู้มาสั่งสอนธรรมะให้ผิดแปลกจากพระพุทธเจ้าแล้วหรือขนสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์ได้ เท่าเทียมกับพระพุทธเจ้าหรือมากยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าไปไม่ปรากฏเมื่อเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้รับประกันบรรดาพุทธบริษัทที่มาอบรมสั่งสอนปฏิญญาตนเป็นพุทธบริษัทคือภิกษสุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้รับประกันในทางพระโอวาท ที่สอนไว้ไม่ให้ขาดเพื่อนผู้ปฏิบัติก็หกปฏิบัติตนไปตามหลักสวก ข, ขาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วนั้นผลจะเป็นที่พึงพอใจตลอดมาไม่ว่าสมัยปัจจุบันนี้ไม่ว่าอนาคตที่จะมาข้างหน้าขอให้ยึดหลักมัชชิมาปฏิปทาเครื่องดําเนินจากพระพุทธเจ้าที่สอนไว้แล้วด้วยดีผลจะไม่เป็นอื่นจากทำ ซึ่งเป็นตัวเหตุคือมัททิมานี่เลยจะเป็นไปเพื่อความพ้นทุก์มีทางเดียวเท่านั้นนี่ยพระพุทธเจ้าที่เป็นคนแปลกประหลาดจากโลกแปลกอย่างนี้การปฏิบัติก็ไม่มีใครจะสามารถปฏิบัติได้อย่างแบบพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างพระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนด้วยความรู้ความฉลาดสามารถทุกด้านไม่มีการผิดพลาดอย่างพระพุทธเจ้า บรราสาวกนับจำนวนไม่น้อยต้องดำเนินตามพระพุทธเจ้าเท่านั้นไม่มีใครจะแซงออกหน้าโดยหามาพระพุทธเจ้าไม่ทันสมัยมีแต่ต้องเดินตามจึงเรียกว่าอนุพุทธะแปลว่าผู้รู้ตามเทาว่าที่กล่าวมามากมายนี้นับปริมาณแล้วแปดหมื่นสี่พันก็รมขันหากเป็นคนผู้ใดผู้หนึ่งที่มีกิเลสหนาปัน ปัญญาปุิชลเช่นอย่างเราเราท่านท่านแล้วจะต้องมีผิดมีพลาดไปจนได้ไม่เป็นธรรมที่คงเส้นคงวาในวาระแห่งคำพูดที่พูดออกไปแต่ละครั้งระครั้งอาจจะมีผิดพลาดไปได้ไม่วาระใดก็ต้องวาระหนึ่นแต่ของพระพุทธเจ้าที่จัดไว้นี้ไม่มีนี่เราจะเห็นความสมบูรณ์ของพระพุทธเจ้าแค่ไหน ทางภายในคือความบริสุทธิ์เมื่อรากฐานคืออันนั่งเดิมคือความบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่ทรงตัวเป็นสิ่งที่คงที่เป็นสิ่งที่รับรองแล้วเข้าว่าที่ออกมาจากรากฐานอันเป็นที่รับรองนั้นก็ย่อมกลายเป็นของถูกต้องไปตามๆกันหมดไม่มีสิ่งใดจะแปลดปลอมแฝงขึ้นมาเลยขอให้ทุกท่าน ได้ไตรตรองให้เป็นที่แน่ใจสำหรับตัวเราที่จะปฏิบัติต่อพระาวัตรของพระพุทธเจ้าในอินญาบททั้งสี่คือยืนเดินนั่งนอนเว้นเสียแต่จงปลุกจิตใจของตนให้ตื่นไปตามหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าที่ขี้บอกไว้เสมออย่าเป็นคนนอนใจอย่าเห็นสิ่งใดมีคุณค่ายิ่งกว่า เรื่องของพระคือตัวของเราสมบัติของพระคือข้อปฏิบัติหน้าที่ของพระจะควรปฏิบัติตนเพื่อความดีงามอย่างใดอย่าเห็นเป็นขอ ง, ของหนักหนาอย่าทําความอิจนาราจัยต่อการปฏิบัติเพื่อตัวเองจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องพาดาเนินหนักก็เอาเบาก็สู้ ลูกศิษย์คำพระพุทธเจ้าต้องเป็นนักต่อสู้ทุกก็ยอมรับกันว่าทุกเพราะโลกนี้มีทั่วทั่วไปเรื่องของทุกข์ไม่มีจุดยกเว้นเมื่อปรากฏเป็นสัตว์เป็นบุคคลขึ้นมาแล้วจะต้องได้รับทราบจากเรื่องของสุขของทุกข์ที่มีอยู่ประจำตัวด้วยกันใครจะหลีกเว้นจากทุกไปที่ไหนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าทุกเป็นของจริง ถ้าหากเราหลบหลีกหลีกทุกไปโดยเห็นว่าทุกเป็นค่าศึกต่อเราแล้วนั่นแหลเราจะเป็นผู้ก่อโพยทุกโดยไม่รู้สึกตัวทั้งวันทั้งคืนถ้าเราเป็นนักต่อสู้ยอมรับกันทุกก็ยอมรับว่าทุกพิจารณาให้รู้เรื่องของทุกขโดยทำและพิจารณาให้รู้สาเหตุของทุกโดยทางปัญญาเราจะมีทางหลบหลีกหลีกทุกไปทั้งๆที่ ทุกก็มีขวางหน้าเราอยู่นั่นแหละจะเป็นผู้ผ่านทนไปได้โดยทางจิตใจไม่ติดข้องกับทุกข์ซึ่งเป็นของมีประจาขันแม้ทุกข์ประจาใจถ้ามีปัญญาสามารถฉลาดรู้เห็นมาเป็นหลักความจริงเช่นเดียวกับทุกทางขันแล้วทุกนั้นเราก็เหยียบย่าหรือขยี้ให้กระจายหายสูญไปจากใจได้ ด้วยอำนาจของปัญญาหากว่าธรรมะไม่สามารถจะสังหารเรื่องของสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ได้พระพุทธเจ้าก็เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาไม่ได้ต้องเป็นผู้หาบทุกไปนิพพานคมานิพพานพระพุทธเจ้าจะเอื้อมพระโอษ์ออกมาสั่งสอนสัตว์ไม่ได้แล้วจะประกาศตนว่าถึงนิพพานแล้วไม่ได้ เพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่สามารถจะปราบทุกข์ภายในใจให้หลุดพ้นจนถึงขั้นนิพพานได้แต่นี้พระพุทธเจ้าได้ประกาศจากองค์อาจกระหานไม่มีใครจะสามารถนำเรื่องพระนิพพานมากราบนอกจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นได้ทรงรู้เห็นในพระไัยของผมแล้วประกาศออกมาอย่างอาจฐานและไปนิพพานอย่างไม่มีการสะทุกสะทานนี่แสดงให้เห็นว่า ธรรมะเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องสังหารความทุกข์ภายในจิตใจของเราได้และสามารถจะรู้เท่าทันความทุกข์ที่มีอยู่ในขันแม้จะดับไม่ได้ตามเรื่องของขันที่เขาแสดงตัวก็ตามแต่ก็สามารถจะรู้เท่าทันเรื่องของทุกข์ที่แสดงตัวออกมาได้ทุกทุกขณะโดยไม่ต้องไปกำหนดหากว่าสติปัญญาของเราได้มีความสมบูรณ์เต็มที่แล้ว สังนั้นโปรดให้ทำความหนักแน่นภายในใจแล้วให้เป็นนักต่อสู้อดก็ยอมอดลูกถิดของพระพุทธเจ้าไม่ต้องกลัวอดอีมก็ยอมรับมาอิม่มถึงคราวอิ่มก็มีถึงคราวอดก็ยอมรับมาอดแต่อย่าท้อถอยอิ่มก็อย่าตื่นเต้นหลงก็อย่าลืมตัวอย่าท้อใจ ความหิวกับความอิ่มนี้เป็นเรื่องของของขันที่บกพร่องและสมบูรณ์ในขณะที่มีสิ่นมาเยียวยาเพียงพอและในขณะที่ธาตุขันบกพร่องต้องแสดงความหิวโหยหรือความอิ่มขึ้นมาตามธรรมนาของตนความหิวโหยหรือความอิ่มพอของธาตุขันนี้ไม่ถือเป็นประมาณ สิ่งที่จะควรพิจารณาให้หนักแน่นจริงๆก็คือความหิวโหยในทางใจนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาจากกิเลสตัณหาแท้ๆการปฏิบัติธรรมะก็เพื่อจะระ ง, งับดับสิ่งเหล่านี้ให้หมดจากใจจะกลายเป็นคนหมดกังวลไม่มีความอยากภายในใจแล้วแสนสบายหายห่วงที่สัตว์และบุคคลได้รับความทุกข์วุ่นวายเดือดร้อนกันไปทุกแห่งทุกผลทั้ง ไกลทั้งไกลทั้งในและนอกประเทศก็เพราะเรื่องความอยากซึ่งมีในใจนี้เป็นเจ้าเลือนแล้วประกอบกับมีธาตุขันเข้าไปเป็นเครื่องเสริมด้วยแล้วก็ยิ่งทวีรุนแรงทำให้ไม่มีเวลาว่างหมุนตัวเป็นเกลียวอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่ว่าคนมีคนจนไม่ว่าคนโงค่คนฉลาดจะเห็นแต่เรื่องหมุนตัวเป็นเกลียวอยู่ด้วยหน้าที่การงานเพื่อหารายได้ ทั้งนั้นอันนี้เป็นคติธรรมนาของโลกถ้าไม่หาก็ไม่ได้แต่ขอจะให้ลืมตัวว่าเ俏แสวงหาสมบัติมาเพื่อเป็นสิริมงคลและความสุขแก่ตัวแล้วแต่กลายมาเป็นฆาตึกต่อตัวเสีย น, นี้เป็นสิ่งที่ไร้แเลงาคือไม่รู้จักเมืองพอไม่รู้จากการพักการผ่อนจิตใจให้มีความสะดวกสบายพอถึงขั้นเมืองพอสถิแม้แต่อาหาร ถาดขันของเราที่มีความหิวโหยเรารับทานแล้วเขายัางมีความอิ่มพอของเขาเป็นบางการแล้วหิวขึ้นมาเป็นบางคราวใจก็ควรจะให้มีเมืองพอมัางในบางการบางคราวหากไม่ได้โดยเด็ดขาดแต่ธรรมนี้ถ้าเราปฏิบัติดัดความโลภโมโทโสของเราภายในจิตใจแล้วจะเป็นผู้อยู่สบายนอนสบายในอียบททั้งสี่จะเต็มไปด้วยความสบาย ไม่มีอะไรมาเกี่ยวของยุ่งเยงิงไม่มีอะไรจะมาเป็น่าสุขเพื่องรบผวนใจเหมือนอย่างที่เคยเป็นมานี่ท่านเรียกว่านัตสันติปรังสุขขังสุขอันในที่จะให้เสมอเหมือนกับสันติคือความสงบใจนั้นไม่มีในโลกที่อื่นเราเคยปรากฏไหมความไม่สงบเป็นสุขเคยมีไหมไม่มีคนจะตายก็ ดิ้นรนกรวนกวายรักสัมรสายทิ้งเนื้อทิ้งตัวทิ้งจิยามารยาททุกอย่างไม่ทราบว่าสวยงามไม่สวยงามหน้าดูไม่น่าดูคนจะตายมันกระเสือมกระสนอย่างนั้นเหนี่ยวมันทุกข์จิตมีความกระเสือกสนกวนกวายก็คือจิตเป็นทุกข์แต่เราไม่รู้เมื่อจิตปราศจากความทุกข์แล้วจะไปก้าเสือกกระสนกวนกวายหาอะไร เหมือนกับคนที่อยู่ดีๆธรรมดาไม่มีโรคภยัยไค่เจ็บมาเสียดแทงร่างกายแล้วย่อมเป็นปกติกของคนธรรมดาเป็นสุภาพชนจะไปจะมาที่ไหนก็เป็นสุภาพชนไปธรรมดาไม่ทิ้งมารยาทอันดีงามให้โลกเขาดูถูกเหยียดหยามแต่คนเจ็บไข้ได้ป่วยมากๆนั้นต้องทิ้งมารยาทที่ดีงามหมดแต่โลกเขาก็เห็นใจ ว่ามันทนไม่ไหวก็ต้องแสดงอย่างนั้นนี่เป็นข้อเทียบเคียงเข้าสู่ภายในของใจเรา้าใจไม่สงบต้องระสาระสายลืมเนื้อลืมตัวยุ่งเหยิงไปหมดอยู่ที่ไหนไม่สบายอาหารการกบฉันได้มากน้อยเป็นที่ไม่สบายทางนั้นเพราะใจไม่สบายเหมือนกับคนไข้ไม่ต้องการอะไรทางนั้นอาหารดิบๆบดีๆที่เคยรับทานมาก่อนไม่ต้องการ ไม่ว่าหวานไม่ว่าขาวไม่ว่าอาหารประเภทใดาราคาถูกราคาแพงประณีดบรรจงเท่าไรคนไข้ที่เป็นไขน้นังหนักไม่สนใจไม่ต้องการทั้งนั้นมีแต่กระเสือกกระสนท่าเดียวในเรื่องของใจก็เช่นเดียวกันถ้าลงในกระเสือกกระสนอย่างเต็มที่แล้วเรื่องอัดเรื่องทำเป็นสิ่งแสลงไปหมดสิ่งใดที่เป็นค่าศึกจใจแล้วชอบยุ่งชอบคิดชอบวุ่นวายชอบเป็นอารมณ์กับสิ่งนั้น ก็ยิ่งเพิ่มความทุกข์ความทรมานของใจเลยจากนั้นเขาก็เรียกว่าคนบ้าคนบอไปท่านั้นเมื่อคิดมากๆยุ่งมากมากความทุกข์หมุนใจเขามากก็กลายเป็นคนเสียสติไรความหมายไรยคุณค่าคนทั้งคนไม่มีราคาเท่าสุนัขตนก็ไม่ได้นี่การปราศจ า, ากสติการปล่อยใจให้เป็นไปตามอำเภอของกิเลสตัณหาทาตัวให้เสียอย่างนี้ ถึงกับหมดคุณค่าไปเลยไม่มีใครนักหน้าถือตาไม่มีใครสนใจเร้ะตัวเองก็หมดความสนใจในตัวเองแล้วจะให้คนอื่นมาสนใจตัวเองได้อย่างไรมีโทษแห่งความเผลอเลเผลอเลเป็นอย่างนี้โทษแห่งความไม่มีสติโทษแห่งการมองข้ามตนโทษแห่งการมองข้ามใจที่กำลังพุ่งเพ้เอเหมิมเป็นอย่างนี้คุณแห่งความรมัดระวังเป็นอีกอย่างหนึ่ง ธรรมะเมื่อเข้ามาสวมภายในจิตใจมาสวมมารยาทแล้วย่อมกลายเป็นมารยาทที่งามพูดก็งามน่าฟังมีเหตุมีผลไพเราะสนะโอษฐ์แจ่ผู้ฟังจริยมารยาทแสดงท่าทางออกอะไรหน่าดูหน้าชมทั้งนั้นจิตใจคิดอะไรออกมีเหตุมีผลควรคิดอย่างคิดไม่ควรคิดระงับทันทีความคิดเช่นใดจะเป็นไปพวกความกระเทือนตนและผู้อื่นและเป็นช่องทางที่จะทำความประพฤติของเราให้เสียด้วย รีดแลงับปับความคิดประเภทนั้นทันทีสั่งสมความคิดที่ดีงามขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมนี่ชื่อว่าผู้ปฏิบัติธรรมะยอมมีความงดงามไปเป็นลำดับลำดับมารยาิก็กลาเป็นมารยาทที่น่าดูน่าชมทางด้านจิตใจก็กลายเป็นใจที่สงบเยือกเย็นนอนก็สบายนั่งก็สบายใจไม่ระสำร่ำระสายไม่กระวนกระวายมีความสบายเป็นเจ้าเรือน อยู่ที่ไหนก็สบายมีอํานาจแห่งการสังรวมระหว่างการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความเข้มงวดกวดขันไม่เห็นแก่ป่าแก่ท้องไม่เห็นแก่หลับแกนอนเห็นแก่ธรรมะเห็นแก่การปฏิบัติธรรมะในทางที่ถูกและขยเบตัวของเราให้เข้มแข็งขึ้นไปเป็นลําบับลําบับในหน้าที่การงานมีการเดินจงกรมนั่งสมาธิทอนาไม่ขี้เกียจทุกข์หรือสุขก็พยายามฝ่าฝืาฝนไปที่จุดนั้นจนถึงผลสําเร็จจุดสุดท้ายก็ ถึงสันติอันแท้จริงคือบรมสุขภายในใจนี่เป็นจุดสุดท้ายแห่งธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ชี้บอกให้พวกเราดำเนินฉะนั้นต่างท่านก็โปรดได้พยายามปรับปรุงตนเองให้มีคุณค่าขึ้นไปเป็นลำดับใจที่มีคุณค่าภายในตัวแล้วยอมฉายแสงออกไปให้เป็นการให้เป็นความสง่าราศีแก่โลกโลกได้รับความร่มเย็นด้วย ใครเข้ามาเกี่ยวข้องก็แนะนําพร่ำสอนให้รับความรู้ความฉลาดให้รับความร่มเย็นเป็นสุขผู้มีความทุกข์ร้อนเข้ามาก็แนะายวิธีให้เขาเข้าอกเข้าใจกลายเป็นคนร่มเย็นขึ้นมานี่อํานาจแห่งธรรมะที่มีอยู่ภายในใจสามารถจะฉายแสงออกไปให้คนอื่นได้รับความร่มเย็นด้วยเช่นนี้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าของเราเริ่มแรกก็ แ, แต่ตรัสรู้เพียงพระองค์เดียวแต่สามารถจะทําโลกสามารถทําโลกให้รับความร่มเย็นไป เป็นจํานวนไม่น้อยตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้และยังโลกยังจะได้อาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นร่มเงาแห่งความร่มเย็นแจ่จิตใจและความประพฤติต่อกันไปเป็นลํำดับหนักจนถึงวาระสุดท้ายแห่งโลกสมมุติจะสลายไปตอนใดในความรู้ความเห็นความประพฤติปฏปิบัตินั่นเป็นจุดสุดท้ายแห่งศาสนา กับจิตใจของบุคคลจะภาาจากกันอันนั้นเป็นอาจินไตไม่สามารถจะคหนึง่งคำนวณได้จึงข อ, อยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้ <c oughs>